กามุทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องปรรมะอนุรุตสูตรคือประสูตรที่ว่าด้วยทางแห่งอบายะอนุรุษเถระซึ่งเป็นผู้เลิศในทางที่ประจากสุข ในชายที่ประยุกา จ, จักทุ ข, ของตนเองตรวจดูสัตว์โลกที่ตายล้วก็เกิดก็มีข้อที่ท่านสังเกตเห็นว่ามาตุคามโดยมากนั้นจะตกนรกก็เกิดความสงสัยข้องใจก็ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงสาเหตุที่ทาให้คนเรานั้นตกนรก คุณเจ้าก็ส่งแสดงเหตุไว้เฉพาะในประสูนยนี้ก็สามประการก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิดว่ามาตุคามคนใดที่ตอนเช้ามากไปด้วยความตจรณีตอนเที่ยงมากรปริษยาตอนเย็นมากไปด้วยวามมารกรมราคะก็ทำให้บุคคลเหล่านั้นตายไปแล้วบังเกิดในทุกติวินิบาตในรลกสุรกาย พระนรุธเถระนั้นเป็นกฤตศักด ก, ก็เป็นอนุชาของพระพุทธเจ้าลูกของพระเจ้าอาออกบวทในชุดตอนตอน้ตนๆพุทธสมัยออกบวโ ด, ด้วยกันแปดรูปกันในแปดรูปเหานะั้นก็มีพระเทวทัตอยู่ด้วยแต่ละองค์ก็มีบทบาทสําคัญในทางพระพุทธศาสนานด้วยกัน โเวนโเวนพระเทวทัต์เทวทัตก็สำคัญเหมือนกันนะสำคัญในด้านไมตติท่านก็มีอายุยังยืนมาจนถึงยุคผู้เจ้านิพพานตราผูา้เจ้านิพพานก็อยู่ในสถานที่นั้นโดยท่านเจริญสิ่งที่เรียกว่าบริกรรมแห่งทิพยจักสุขคือต้องการที่จะตรวจดูสัตว์ตวโลก โดยจักรสูเป็นที่ก็มีปัญหามาโดยลำดับในตอนต้นๆที่ยังไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระหรันก็มีปัญหาเข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าอยู่บ่อยๆในคราวหนึ่งก็มาสนทนากันสิ่งที่ได้เห็นในในที่ประจักษ์สุตด้วยที่ประจักษ์สูตรนะเห็นการจุติการนุบัติของคนของสัตว์ทั้งหลายเห็นเทวดาเห็นสัตว์นรกอะไรเนี่ย ตรงอื่นไม่ค่อยมีปัญหาแต่มีปัญหาในช่วงของการเกิดตายจนท่านบางครั้งบางคราท่านรู้สึกว่าดูไม่ทันวชีวิตบางชีวิตปฏิสนธิปั๊บตายปุ๊บเลยดูกันไม่ทันก็ไม่กรบทุนถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนั้นบางชีเนี่ย มันไม่เกิดดับที่ยิบมากเกิดดับเกิดดับมันไม่ใช่วิสัยของคนทั่วไปที่จะรู้ทได้ทันว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมันเป็นวิสัยของพุทธญาณคือญาณของพระพุทธเจ้าที่สามารถกำหนดรู้ได้ทันว่าคนนั้นเกิดดับเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเระเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ทรงแสดงถึงชีวิตที่แท้จริงว่า แต่โลกส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เนะี่ยปฏิสนธิในครันของมารดาเนี่ยมารดายังไม่รู้เลยว่ามีสัตว์โลกมาถือปฏิสนธิที่ตายแล้ววัตรโรจากจุดนี้ก็แสดงคนที่ตายในครันในมหาศารมากที่เกิดมาได้ก็มีไม่เท่าไร่แล้วก็อยู่ยั่หยืดมาได้ไม่เท่าไรก็เป็นไปตามสูตรที่ทรงแสดงว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากแล้วการดํารงชีวิต อยู่ได้ตลอดรถฟังนั้นก็เป็นของอยากก็เป็นพระหันที่เท่าทีพบนะครับว่ารูปเดียวที่เป็นปฐมเหตุให่ต้องให้ให้ทรงบัญญัติพระวินยัยแต่ปกติแล้วต้นเหตุให้บัญญัติพระวินัยเนี่ยจะเป็นเรื่องของพระที่ค่อนข้างเกกะกังเกเรไม่ค่อยเรียบร้อยพวกฉัพวัฉพวัคคีพวกสัตววัคคีพวกประอุทายีพวกประอุปนตท์ในนี้มีอยู่ ไม่กี่รูปะนะฮะที่ที่ที่สร้างปัญหาขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุที่พระเจ้าทรงประรูปประวินยัยบัญญตัตวินายแล้วก็พระอนุรุนั้นก็เป็นรูปหนึ่งซึ่งเรื่องก็ไม่น่าเป็นเรื่องนะคือท่านกลับจากเยีียดยทติกรุงกับปิลพััด์ก็ไปแวะขอพักเรือนว่างของชาวบ้านหลังหนึ่งเจ้าของเขาไม่ได้อยู่นะ ไปดีไปโจรเรือนแม่ไม้ครับพอตกดึกผู้หญิงก็เข้าไปหาทัน้นก็โอโลมปฏิโลมนะฮะพูดจาต่างๆไม่ได้ไปคุกคามอะไรมากนะแต่ก็นั่งฟังเฉยๆเสร็จแล้วท่านก็ไปกราบทูลเล่าให้ภิกษุสงฆ์ทราบและกุณฑูณพุขเจ้าทราบพุขเจ้าก็มองเห็นว่าเป็นอันตราย ก็บัญญัติปริในข้อที่ห้ามไม่ให้ภิกษุอยู่ในที่มุงบังกับผู้หญิงสองต่อสองขึ้นมาก็ประรบพระอนุรุษนะฮะก็ท่านทำงานพระาศาสนาในด้านเนี้ยด้านด้านดานดูบาบุญคุณโทษนะนะแต่ไม่ได้แบบพระโมคคลลานะก็แบบดูดูแล้วก็บอกเล่าชี้แจงอธิบายฝัง แม้แต่ข่าวผู้เจ้าแสดงยมุกปฏิหารที่ไปโปรดรูปุตมันดาพระนุรุตก็เป็นคนที่ติดตามเรื่องเหล่านี้แล้วก็รายงานบอกกล่าวให้ชาวบ้านทราบบริเวณนี้พระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นตรงนั้นกําลังทําอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็อยู่ด้วยมาจนถึงจนถึงผู้จ้านิพพานในกล่าวตอนนิพพานเองรวมตอนตอนผู้เจ้านิพพานเองพระนุรุตก็เข้ายานตาม แล้วก็ดูพระเจ้าอยูุธยานั้นอย่างนั้นก็เล่าเล่าให้คนฟังแล้วก็นิพพานแล้วอะไรก็เล่าเล่าตามแต่เราคือตามพระไตรระพุทธเจ้าจนจนนิพพานแตมืค่คราวคราหนึ่งนี่ท่านตัวดูสาตัวโลกก็ เ, เห็นคนตกนรกนะฮะใช่กำว่ามาตุกขามก็พูดถึงผู้หญิงด้วยท่านใช้คำว่าโดยมากนะฮะไม่ใช่คำว่าทั้งหมดว่าเห็นที่ตกนรกกันมาก แล้ทำไมจึงตกนรกกันมาพระเจ้าก็ทรงแสดงที่จริงการแสดงนั้นจะต้องเข้าใจว่าความสาบกลคือคําถามในเป็นเรื่องที่สาคัญบางทีเราเราไม่เข้าใจแต่มาในจุดนี้อย่างเช่นคําถามที่ว่าอะไรเป็นพรหมจันทร์เป็นอันตรายต่อพรหมจันทร์พระเจ้าเรสาสั่งว่า ตรี three, เป็นอันตรายอิตีมะลงังพรนะัรจเนียสะนะฮะผู้หญิงเป็นอันตรายต่อพรมรจันทรย์ก็ทําให้ผู้หญิงสมัยใหม่นี่โกรธมากกว่ากดขี่ทางเพศมากดูหมิ่นบ้างอะไรต่วไรเนี่ยคือเป็นการตอบผู้ชายนะฮะเป็นการตอบผู้ชายถามว่าอะไรเป็นอันตรายของผู้ชายในการพรุทธปุรจันารย์ก็ตอบว่าเป็นผู้หญิงเดี๋ยวถามถ้าถ้าภิกษุณีถามมันก็ตอบว่าผู้ชายเป็นปัญหาที่พูดในกรณีหลานนั้น แต่เรื่องธรรมะปฏิบัตินั้นจะดีหรือชั่วมันมีความสากลไม่ว่าความใครก็ตามถ้ามีสภาพจิตอย่างนี้มีการแสดงออกอย่างนี้อาการทางกายวาจาเป็นนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันไม่ได้เกียกเก่ยวกับผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวกับเพศแต่ว่าถมเหตุที่ประรบประรบอะไรมันก็พูดอย่างนั้ น, นกับใช้สรรพนามอย่างนั้นในกรณีนี้ก็เหมือนกันที่จริงก็พูดถึงคนทั้งหลายนี่แหละ สรุว่าใครก็ตามที่ว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมากกว่าด้วยความสนีมีความหวงแขนมีความเสียดายมีการขัดขวางเหอเ็นว่าตอนเช้าเนี่ยเป็นเรื่องจะต้องใช้ต้องจ่ายเยอะจะต้องแสวงหาต้องซื้อหาต้องต้องต้องยับต้องจ่ายใช้สอยเนี่ยรตีนถ้ามากกว่าด้วยความ ส, น, สายยา น, นีเสียดายอย่างนั้นเสียดายอย่างนี้ มันก็เป็นอุปสรรคในการที่จะก็เริ่มมาตั้งแต่ครองเรือนแล้วนะฮะเรื่องที่จะตนุบวบุงร่างกายเราเลี้ยงดูครอบครัวได้รับความเป็นสุขแล้วด้วยความสนีเนี่ยมันเป็นอาการของกิเลส ท, ที่เจอืออย่างที่บอกว่ากิเลสจริงๆมันมาจากกวิชาทั้งหมดแต่ความสนีนั้นเป็นกิเลส ท, ที่เจือกันระวังโลภะกับโทสะ แล้วก็ออกมาเป็นรูปของความเจริเราจะโลภะในตัวทรัพย์ทรัพย์นั้นเป็นของเรานะฮะม่อนทรัพย์นั้นเป็นของเราหรือของคนที่เกี่ยวเนื่องกับเราเรารู้สึกเสียดายรู้สึกหวงในทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมีความก็สแสดงว่าเราพอใจยินดีในทรัพย์ในสิ่งของเหล่านั้น ทีนี้ในคนที่ได้ในคนในคนที่ที่เราจะให้เนี่ยฮะเราเกิดไม่ชอบหมายความไม่ชอบในคนเสียดายในของมันก็กลายเป็นอาการความรู้สึกที่เรียกว่ากรืนเสนีแต่ตรงนี้ถ้าขาจัดได้สักอย่างเนี่ยมันก็ไปได้แต่จริงๆต้องขจัดทั้งสองอย่า ง, งนะครับความเสนีจึงถือว่าเป็นมนทินของแต่และเรื่อง ไม่จะทําให้การยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นจนถึงกับแม้แต่ตัวเองนะฮะคือทําลายแม้แต่สวัสดิภาพของตัวเองอย่างที่เคยเล่าถึงมัจจรญยโกตุ ย, ยเสรษฐีคือตัวเองจะไม่กินมาอยู่ไปใช้สิ่งอะไรก็ตามแม้แต่ข้าวปลาอาหารที่จะรับประทานเข้าไปาก็กินข้าวปลายหาัดกินน้ําต้มผักดองอะไรใดเนี่ย น, นะฮะตัวเองบริวารครอบครัวก็ไม่เลี้ยงดู ก็ทำไม่มีปัญหาในการดํารุงชีวิตแล้วก็ทรงตําหนิไว้ในที่ต่างๆเป็นนั้นมากจนแม้แต่ตายไปเป็นพวกเป็นชาติแล้วก็กลายเป็นพวกปู่โสมข้าวซัพย์พวกอะไรพ ว, พวกเรื่องเปรตที่มีเยอะนะฮะที่ที่เป็นคนตรนีแล้วก็ตายไปก็หวงทรัพย์สมบัติเห่านั้นไม่ยอมไปผุดไปเกิดสักทีหนึง่งความจรนี์ท่านจําแนกแสดงไวเ้เป็นเป็นห้าเรื่องใหญ่ ปกติแรกเรียกว่าลาภมัจฉริยาคือสนิปผลประโยชน์สิ่งที่เป็นรูปธรรม ท, ทั้งหลายนะหวงเอาไว้ไม่ต้องการจะให้คนอื่นหรือแม่ตัวเองก็ไม่บริโภคใช้ซอยและจะรู้สึกโกรธเมื่อใครไปเกี่ยวข้องกับสิ่ง่นั้นเราจะเห็นอาการบางทีก็ปกปิดบางทีก็อุ้มเอาไว้บางทีก็ถือเอาไว้ก็เป็นอาการของความสนิป เดีถ้าเราลองสังเกตอีกทีหนึ่งว่าวัตถุสิ่งของเหล่านั้นเองถ้าเรามีความรักต่อคนนั้นมีความเมตตาต่อคนนั้นมีความสงสารมีความเคารพนับถือศรัทธาต่อคนนั้นเราก็ให้ได้หมายความว่าไงหมายความวโทสะมันถูกขจัดออกไปเราก็สามารถที่จะให้เราของเรานั้นได้หรือบางทีเนี่ยคนเราไม่ค่อยชอบเท่ารยละแต่ของเราก็ไม่อินังกันขอกอะไร หมายความของเองเราก็ไม่หวงคนเราก็ไม่ชอบเราก็ให้ได้พอใกลคๆเกษตรของพวกเหลือใช้อะไรตั้งหลายเนี่ยคนคนนั้นที่จริงเราไม่รู้สึกพิเศษอะไรอาจจะไม่ชอบนิดๆแต่เขามาขอทั้งของเราก็ไม่ไม่รู้สึกหวงแขนอะไรแล้วคนเราก็ไม่ถึงกับชอบอะไรแล้วก็ให้ไปได้มันเป็นอาการทางจิตที่มันเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่ว่าตรณีอยู่ตลอดไป ถ้าจิตมันเปลี่ยนความรู้สึกเหล่านี้ก็เปลี่ยนประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าอาวาตมัจกลุลมัจเรยะคือสันนพวกสันีหมู่สันีสกุลสันนพวกตลอดถึงถึงอะไรพวกนามสกุลทั้งหลายอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องการให้คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกกัสกุลกับหมู่ของตัวเองมีการกีดการขัดขวางถ้าใครไปเกี่ยวข้องก็จะเกิดโทสะ เพราะอะไรเพราะว่ากลัวคนเหล่านั้นจะได้ผลประโยชน์จากตระกูลที่ตนเคยเกี่ยวข้องผูกพันกันยวตัวอย่างเช่น ว, ว่าพระเนี่ยสง ม, มติว่าครอบครอบครัวหนึ่งดูแลพระรูปนี้อยู่แล้วก็พระรู้วิจกริกการไหมคนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวเหล่านั้นกลัวเขาจะมานับถือนับถือพระรูปอื่นแในตัวเองจะสูญเสียผลประโยชน์ตัวครอบครัวตระกลูลอะไรก็ตามที่ ถือตัวหวงตระกูลตัวเองไม่ต้องการให้คนอื่นมาเกลือกล้วมาเกี่ยวข้องมาแต่งงานมาผลูก พ, พันธพันธ์อะไรตกันเนี่ยจนถึงบางครั้งแรงๆนะฮะเราจะเห็นว่าแรงที่วมันถือตระกูลจนแรงๆอย่างรัชวงศ์ศักยะของพระพุทธเจ้าที่ตอนปลายพุทธสมัยเราเห็นได้ชัดมากนะฮะนั่นคือคือคื อ, คอคกุลามาชดิยาตรีสกุล ไม่ต้องการให้ตระกูลตัวเองไปเกลือกกลั่วกับคนอื่นจนต้องกลายเป็นศึกสงครามดาวราชวงศ์ราชวงศ์สากยะก็สุดลงไปแย่ตอนปลายพุทธสมัยปีที่พระเจา้าจันิพผ่านประการต่อไปเขาเรียกว่าอาวาธมัชย์ญาคือ ส, สถานที่อยู่อาศัย เช่นว่าตระนีวัดสมมติเราเป็นพระนี่ก็ตระนีวัดวัดตัวเองไม่ยอมให้ใครเข้ามาอยู่อาศัยจริงจริงวัดไม่ใช่ของพระนะฮะวัดมันเป็นสมบัติของพระศาสนากุศลเจตนาในการสร้างวัดนั้นสร้างเพื่อสง์ที่มาจากแกตุรจิตวัดมันมีประวัติยาวนานทั้งนั้นเองโดยเฉพาะวัดเก่าเราจะเห็นว่ามันมีประวัติยาวนานอย่างวัดวนก็มีเจ้าวัดมาเยอะแล้ว ก็สร้างมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วนะฮะเจ้าวาดก็คือผู้ดูแลวัดมีตําแหน่งมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแต่บางทีมันไม่ใช่เจ้าวาดคือพระในวัดเองนั่นเองก็จะกิจการคนอื่นแม้เข้ามาอยู่ในวัดนั้นก็แสดงวัฒน์ศอาวัฒน์จรีทอยู่ในบ้านเราในเรือนเรานะคนต้องการจะขอพึ่งพาอาศัยพักผ่อนบางทีก็ขอหลบแดดหลบฝนอะไรแต่ไรเนี่ยเราก็สนิท ไม่ต้องการให้เขาเข้าไปในสถานที่เหล่านั้นตลอดถึงประเทศมันก็ว่าเรื่อยไปนะฮะจนถึงประเทศมาความหวงที่อยู่กีดกันไห้คนอื่นเข้ามาอยู่อาศัยแต่เราลองสังเกตอีกทีนึงว่าถ้าคนเหล่านั้นเรารู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันเราจะไม่ปฏิเสธอย่างไล้าประเทศอิสราเอลจะเห็นว่าต่อสู้กับพวกอาราบุนโดรุดเลย การขัดขวางทุกวิธีทางสู้กันมายึดเยอยาวนานแล้วแต่พอพวกยิวจากโซเวียตพวกยิวจากรัสเซียอพะยพเข้ามาเป็นแสนแสนนั่นนะมันก็ต้องรับดีต้องรับดีตั้งตั้งที่จริงก็ไม่ไม่รู้จักเพียงแต่รู้สึกว่าเป็นชาติเดียวกันคือพวามันเดียวกันหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราไม่มีความโกรธอยู่เนี่ยเราก็ไม่ห่วงหรอกแต่ถ้าเรามีความโกรธรู้สึกแบ่งแยกรู้สึก พอไม่ใช่พวกเราแล้วก็จะเกิดความตดีขึ้นไม่พร้อมจะสงเคราะห์นุเคราะห์ช่วยเหลือใครประการที่สามนั้นคือประกาศที่สี่นะเป็นสีก็คือเรียกว่าธรรมมัจฉริยะคือจะนีความรู้จะนีพวกวิทยาการทั้งหลายที่ผวงพวกวิทยาการทั้งหลายพวกสูตรทั้งหลายเราสังเกตว่ามันก็มีอยู่จุนถึงปัจจุบัน ใครศึกษาแล้วเรียนแตกฉานในเรื่องอะไรหารกินในเรื่องอะไรก็จะหวงสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ไม่ยอมบอกกล่าวแก่คนอื่นกลัวคนอื่นจะเจริญก้าวหน้ากลัวคนอื่นจะประสบความสําเร็จกลัวคนอื่นจะได้สถานะทางเศรษฐกิจสังคมเช่นเดียวกันต ด, ดก็มีการปกปิดวิชาเอาไว้ตรงนี้จึงกลายเป็นปัญหาในการสืบสารสิ่งดีงามที่เป็นมรดกของโลกเพราะมันขาดตอน เราลองสังเกตว่าวิชาการทั้งหลายที่เกี่ยวกับแพทย์มันก่อนมีคนมาถามนึงหมอชีวกุมารพัฒน์ก็ลาวก็ฟังนะว่าวิธีรักษาโรคของหมอชีวกุมารพัฒเนี่ยมันปัจจุบันมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันไม่ถึงท่านนะนะคือท่านรักษาได้ดีกว่าเยอะเช่นว่าท้องผูกเป็นรูปพันดึกไอ้ท้องผูกแรงๆเนี่ยมันดมดมดอกไม้นะฮะ เอายาเอายาใส่ในในดอกบัวก็ดมสูดดมแล้วก็หายแล้วท่านเคยถวายพระโอรพระพุทธเจ้าพระเจ้าท้องผูกนะฮะแล้วก็ระบายทั้งสามสิบครั้งโดยการใช้พิธีดมออกทางทางจมูกยาเข้าทางจมูกโรคฤทธิ์สีดวงในป้ายยาทีเดียวหายไม่ใช่เล่นนะ่นะพาตัดสมองได้พาตัดสมองได้ โดยไม่ต้องวางยาสลบคือมันมันสูตนตรงนี้เราเราเห็นว่าพ อ, พอยุคหลังแม้แต่ปลายพุทธสมัยที่เุ้อนิพานไปแล้วหมอชีวกตายไปแล้วเนี่ยเราเขาไม่ได้พบว่าใครสื่อสารตรงนี้ไปไห้หรือในแพทย์หูโตในประเทศจีนสมัยสามคกมันก็มีลักษณะอย่างนั้น ก็ไม่ได้ถ่ายทอดวิชาเหล่านี้หมอประเภทที่เราเรียกว่าหมอเทวดาสมัยประเทศจีนมีอยู่เยอะมันก็หายไปนั้นเกิดมาจากธรรมม่ชินยา ค, คือสนีพวกวิชาการความรู้ต่างๆไม่มีการถ่ายทอดเอาไว้แล้วก็คนเหล่านั้นก็ตายมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ตายไปกับตัวปัญหาตรงนี้ปัญหาในการถ่ายทอดสืบทอดเพระาะฉะนั้นพระเจ้าจึงวางกดไว้ในในทิศหก ที่กําหนดไว้เลยว่าครูบาอาจารย์นั้นจะต้องส อ, งสอนลูกศิษย์สอนวิทยาการแก่ศิษย์โดยสิ้นเชิงไม่ปิดบังอำพรางเอาไว้ตามขั้นตอนนะฮะตามขั้นตอนในการเรียนการสอนเพื่ออะไรเพื่อให้วิชาเหล่านั้นเป็นประโยชน์แก่โลกวกว้างกว้างมากยิ่งขึ้นแต่ความคิดแนวนี้เราจะเห็ น, นว่าปัจจุบันมันมันก็ยังปกปิดอยู่นะยังปกปิดสูตรต่างๆไม่ว่าของอเมริกาก็เดียญี่ปุ่นก็เดีโซเวียตก็ดีนะ สมัย ต, ตอนต้นๆหลังสงครามโลกครั้งที่สองเราก็พบว่าญี่ปุ่นเข้าไปขโมยสูตรต่างๆในอเมริกาจนถึงกระกระีนเข้าไว้ในท้องเพื่อเพื่อเพื่อนำสูตรเหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนาประเทศตัวเองตัว น, นี้มันเกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากรเราจเห็นว่าเราเราหวงหวงในสิ่งเหล่านั้นแล้วคนที่เราไม่ให้นั่นคือเราไม่ชอบ ไม่ชอบเพราะเหตุอะไรกลัวเขาจะแข่งดีกับเรากลัวเขาจะใหญ่กว่าเรากลัวกลเขาจะดีกว่าเร า, รเ า, ะ า, เราอะไรก็ตามก็สรุปว่าเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวเองขาดความมีน้ำใจต่อคนอื่นเพราะเรามีน้ำใจต่อคนอื่นไอ้ความเสน่มันจะหายไปเองก็ต่อไปเรียกว่าวันณนะวันณะมะะัจฉริยะเปรยวสน่ผิวตนีสนีพวกพ้องก็ได้นะฮะเป็นวันวั น, นะกษัตริย์พรามแพทสูตรอะไรต่ออะไรเนี่ย ก็ตลอดถึงจะหนีความดีทั้งหลายไม่ต้องการจะเปิดเผยความดีสิ่งดีงามทั้งหลายซึ่งเป็นผลของการประพฤติปฏิบัติอะไรเนี่ยก็คล้ายๆกับกับธรรมะมัจจิยาแต่ตัวธรรมมัจจามจะเน้นไปตัวที่ที่เป็นวิชาการอันนี้จะเน้นไปตัวที่เป็นความดีทั้งหลายตลอดถึงการจะนผววีผิวหัวงผิวหัวงพวกก็สรุปว่า ในแวดวงของความรู้สึกเหล่านี้เราจะเห็นอาการของวิชานี่ก็มีอยู่มาทีนี้ถ้าหากว่าจิตใจของคนถูกรุ่มรุมด้วยความสนีทด้วยความหวงใจมันก็กระทบกระทั่งหมุดหิดมันก็มีกิเลสเพิ่มขึ้นเยอะเชนะ่นสมมุติว่าเราไม่ต้องการให้จ่ายในตรงนี้แล้วคนอื่นเงินไปจ่ายมันก็เกิดโทสะเกิดโทสะในคนเกิดเสียดายในทรัพย์เกิดทะเลาะวิวาทเกิดทุกข์ใจเกิดความแตกแยกราชาเกขึ้นไปในครอบครัว ความซึสงอบภายในครอบครัวภายในสังคมเหล่านะั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอาศัยความเจตนความเตน์นี้จึงถือว่าเป็นสนิมเป็นมุนทินที่ขัดขวางตัวเราเอาไว้นะที่จริงก็ขัดขวางใจเราเอาไว้ไม่คิดไม่ทําที่เป็นประโยชน์ที่เกื้อกูลแก่เราเองเราเกื้อกูลแก่สังคมที่เราเป็นสมาชิกอยู่ เรื่อคนตรนีบางครั้งเนี आ, там, Sultan, s. <S ่ยอย่างเช่นตัวอย่างมาจัดริยากรุษยาเศรษฐีที่ว่าไว้เนี่ยพระเจ้าต้องส่งส่งพระโมคคัลลานะไปโทรมานไปดัดสันดานนะไปดัดสันดานคือท่านอยากกินขนมเบื้องอยากกินมากไปเห็นเขกินขนมเบื้องอยากกินมากก็มาบอกมียให้ทําขนมเบื้องให้กิน เมียบอกไม่ต้องกลัวเรียทําเรียกคนหมดทั้งบริเวณนี้เลยว่าโกรธใหญ่เลยโตลงพูดไปพูดมาขอกินสองคนเลยนะฮะขอกินสองคนก็ไม่เอาเมียก็ไม่ให้กินฮะแต่ให้เมียทําให้ให้เมียทําให้แต่ไม่ยอมให้กินโตลงว่าเมียก็ยอมนะะยอมมาทําขนมเบื้องให้แกคนเดียวทําข้างล่างไว้เลยกลัคนจะเห็นเอาไปขึ้นมาทํำบนปราสาทชั้นที่เจ็ดทอดขนมเบื้อง ผูเจ้าก็ส่งพระโมคคัลลานะมพระโมคคัลลานะก็ใช้ริดรออยู่หน้าต่างกันนะฮะรออยู่หน้าต่างหันไปด้านไหนก็เจอทั้งทั้งทั้งหมดเลยเกก็ยั่วใหญ่หละทับยังไงก็ก็ไม่ไปแล้วเอาให้ตักหน่อยแต่ไม่ให้คงคงไม่ไปหรอกเกก็ตักเอาปลายช้อนตักใหนะ้ขนมเบื้องพอพอตักใส่ตักปั้บพผมดวายขึ้นไปใหญ่เลยเก๋ก็ไม่จะทํำยังไง พยายามดึงกับสงคนผัวเมีย ว, ว่าให้มันได้สักชิ้นเล็กๆ เ, เอาไใ ห, ให้มันมันดึงไม่ขาดดึงจนเหนื่อยอดึงจนเหนื่อยตลงง่เปรีเปลี่ยนใหม่ทอดขนมใหม่แป้งน้อยกว่าเดิมอีกโตกว่าเดิมซะอีกทีนี้ก็ถูกดึงกระสงสามชิ้นเลยหมดแรง ก, ก็ตัดใจนะหายอยากตัดใจหายอยากแล้วก็เกิดรู้สึกอัศจรรย์เกิดศรัทธาเลื่อนสายในพระโมคคัลลานะ แล้วก็ถวายขนมเบื้องทั้งหมดพระโมคคัลลานาบอกถ้าจองการถวายก็เอาไปถวายเองเอาไปถวายพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ที่ประเทศตะวันทั้งก็ไปนะพระโมคคัลลานะก็นําไปแล้ในสุดก็กลายเป็นคนเป็นนักบุญในศาสนาก็เข้าถึงธรรมะปฏิบัติธรรมะก็เป็นความเจริญรุ่งเรืองไปก็ได้นีบางควางไว้ตัวเดียว ความเจริญจึงถือว่าเป็นมูลทินเป็นสนิมเป็นมูลทินของจิตใจก็ต่อไปคือฤิษยาตอนเชืียงนะฮะตอนเชืียงริษยาเราจะเห็นว่ามีข่าวคราวอ ย, างงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะฮะคนประสบความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าเราก็สึกริษยาในการได้ดีตัว ด, ดีของคนทั้งหากก่เรื่องก็จับกลุ่มนิทาจับกลุ่มนิทาคนเนี่ย น, นะฮะคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้ก็ว่าไปเลยเราจะเห็นว่าจิตใจมันก็เกิดสะสมบาปขึ้นมา มันหยุดตัวเองนะให้เราสังเกตคนฤริษยาคนอื่นคือหยุดตัวเองตัวเองไม่ได้ทําอะไรฮะนั่งวิภาควิจารณ์คนอื่นนอนคิดแค้นก็คนอื่นงานการไม่ต้องทำแล้วเพราะใจไม่คิดอยู่ถึงถึงฤติษยามันก็คล้ายๆกับพวกสงสัยเราสังเกตความสงสัยจะเหมือนกันนะเราจะไม่เดินเลยใจมันจะไม่เดินร่างกายจะไม่เดินเช่นสมมุติเราถึงทางแยกสามแพร่งสี่แพร่งไปทางไหนเราไม่แน่ใจไปทางไหนก็หยุดอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นฤติษยาจะมีลักษณะอย่างนั้น เห็นคนอื่นเจริญก้าวหน้า ก, ก็เกิดไม่พอใจสุขิปินพากัดเครื่องหงุดหงิดรำคาญมัน้า้ก็สารพัดเนตแต่ว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรมันเป็นงานทำลายโอกาสตัวเองกิเลสท่านจึงใช้บางทีว่าขุดรากถอนโคนตัวเองเดี๋ยวมันเกิดขึ้นภายในใจมันมันอุปมาชัดนะฮะอุปมาะะว่าเหมือนกับลูกกล้วยเี๋มันเกิดขึดนะ้นมันคากอกล้วย เห็นมะกร่วยตราบใดที่แกยังไม่มีลูกไม่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่พอมีลูกเริ่มจะสุกท่านั่นเองได้เรื่องถุกฆ่าแล้วคุ้ยไัยเกิดขึ้นเพื่อฆ่ากอภยัยภัยพอเกิดคุ้ยแล้วก็แสดงว่านั่นแหละลูกมาสะดอนนะเกิดมาเพื่อฆ่าแม่มาพราบาปอากุศลนั้นเหมือนก็สนิมที่เกิดในตัวมันทำลายตน เหมือนนิมเกิดแต่เล็กก็ทำลายตเล็กเหมือนกับลูกกล้วยที่เกิดที่กอกล้วยก็ทำลายกอกล้วยความริษยาเป็นกิเลสที่แรงนะเป็นกิเลสที่แรงมากยังเคยตั้งข้อสังเกตว่ามันคล้ายๆกับวิญญาณดิบคือมองมานานเลยสังเกตมานานไนะอ้พวกนี้มันแปลกมันมันอยู่ทุกแห็ง คือความเบียดเบียนกับความริษยามันใกล้ๆวิญญาณจิตที่ว่าอยู่ในจิตใจของคนมันเกิดจากความรู้สึกหลงตัวเองนะให้เราสังเกตมเกิดจากรู้สึกหลงตัวเองคือก็คือเกิดขึ้นอัตตาเราในมันใหญ่ไปเลยคิดว่าสิ่งต่งางๆนั้นควรจะเกิดแกเราเพราะเกิดแกคนอื่นเราไม่ชอบเพรก็เกิดเป็นความริษยา ความเบียดเบียนนั้นเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกชอบดูความพิบัติเดือดร้อนชอบความรุนแรงชอบเป็นการปราดประหารไม่การต่อสู้กันแล้วก็ปรารถนาความพิบัติของเกิดขึ้นแก่คนอื่นนะไม่จะเกิดขึ้นแก่ตัวเองกับพวกตัวเองก็แสดงว่ามันเกิดมาจากตัวอัตตาตัวตาคือรู้สึกว่าเป็นเราก็บเป็นพวกเราเท่านั้นเองและในสุดก็เกาะกลุ่มกันก็ทํำลายพวกอื่น ที่ตัวเองรู้สึกบางทีก็แต่งตั้งเราเองว่าเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูอาจจะเป็นภัยอาจจะเป็นอันตรายแก่แก่ตนความริษยาเป็นลักษณะเดียวกับกับมัจฉาญาหมายความว่าเรารักใครพอจะยินดีในสิ่งเหล่านั้นจนถึงกันโลกอยากได้ในสิ่งเหล่านั้น แต่พ อ, พอดีคนอื่นก็ได้ฤิสยาจึงเกิดแก่คนคนอื่นนะฮะคนอื่นที่เราที่ที่เขาได้ลาบายยดได้ยศได้ได้ความสัเสิบได้รับความสุขแล้วเราก็รู้สึกฤิสยาต่ความเจริญก้าวหน้าของคนเหล่านั้นถ้าถามว่าทำไม ก็ตอบไปว่าเราโลภเราอยากได้เสีเองมาความเราต้องการได้ราบนั้นเสีเองได้ยศนัน้นเสีเองได้สรรเสริญนั้นเสียเองได้รับความสุขนั้นเสีเองพออินพอพอดีคนอื่นก็ได้เราก็เกิดไม่ชอบในคนนั้นคนนั้นถูกไม่ชอบเพราะได้ในสิ่งที่เราอยากได้มันก็ไปสวดครองกับสมนุนคนจีนนะฮะที่ว่าคนไม่ผิดหรอผิดที่มีหยกติดตัวคนนั้นที่จริงก็อยู่เฉย ก็ยูเชอรเฉยถ้าแกไม่ได้อะไรเราก็ไม่รู้สึกริษยากแกแต่พกแกจเจริญก้าวหน้ามากกว่าเราเราก็เกิดริษยาคิดมาแล้ก็ทํานองแบบคลายๆที่ตัวกระตุ้นให้พระพุทธเจ้าเริ่มคิดถึงสภาพชีวิตในโลกโดยการดูอีกาแย่งเนื้อ น, นะนะเห็นว่าอีกาจริงๆถ้าแกบินเฉยๆไม่มีใครไปแย่งอะไรแกเพราะแกไม่มีเนื้อให้แยง่ง แต่พออิกาตัวหนึ่งโฉบได้เนื้อมาอีตัวที่สองก็เกิดริษยากระยากได้ตัเองก็ไปแย่งนั้นแสดงว่าริษยากวนแรงพอตัวหนึ่งมาเห็นขึ้นมาก็ริษยาด้วยก็เกิดไปแย่งแลกกันไปแย่งกันมาก็เป็นการเป็นการเปลีป่ยนแปลเป็นการต่อสูก้กันอิกาตัวแรกสู้ไม่ได้ต้องอาปากคุยจริงจริพอจริงเนื้อก็หล่นพอเนื้อหล่นมันก็ไม่มีสิ่งให้ริษยาอีกาอีสองตัวก็บินแยกกันไป หมาข้างล่างก็เริ่มแย่งอาหางกันต่อเราจะเห็นว่าหมาสามาตัวก็ต่างต่างบางคนต่าก็วิ่งอยู่มันไม่มีอะไรให้แย่งพอเนื้อหลงลงไปหมาตัวหนึ่งก็ตะครุบปับอีกตัวหนึ่งก็เกิดฤทธิ์ยาขึ้นมะก็แย่งก็กฟัดกันต่อนั้นเป็นภาพเป็นเป็นเป็นกระบวนการของช่องธรรมาที่เคลื่อนไหวเป็นรูปธปรรมมาจากจิตที่ฤทธิ์ยา แล้วก็นำไปสู่ปัญหาต่างๆเป็นอันมากตัวเองร้อนนะฮะใจร้อนคนอื่นเย็นคนที่เราธิษสยาเขาเย็นก็ได้